บัดนี้จกแสแดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายเสือต่อไปอนุสติที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับท่านเป็นการแสแดงให้เห็นถึงคุณานุภาพแห่งพระตัไตรใซึ่งเป็นสะนะที่พึ่งที่ระลึกของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย อันคุณานุภาพแห่งพระตัตฑายนั้นท่านแสดงไว้ว่าเป็นวัตถุที่บุคคลเชิดชูไว้ภายในใจของตนมีคุณนั้นไม่สามารถจะนับได้มีความหนักไม่สามารถที่จะชั่งได้ความละเอียดประณีตแห่งคุณพระตัตฑายไม่ใช่เป็นธรรมที่ บุคคลสามารถสัมผัสได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่เป็นผ่านแล้วย่อมไม่สอาดย่อมไม่สามารถสัมผัสคุณแห่งปรตัตนาตรัยได้ตอนนั้นอนุสติแต่ละข้อที่บุคคลน้อมรำลึกถึงเพื่อกอให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศรัทาาธาภาษาทะขึ้นภายในจิต และเพื่อให้วิถีชีวิตของตนดำเนินไปตามคุณแห่งพรตัตนาใจนั้นจึงชื่อว่าเป็นการเชิดชูวัตถุที่ควรเคารพสักการะไว้ในใจสามารถสัมผัสคุณานุภาพอันนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แห่งพรตัตนาใจตามกำลังความสามารถแห่งตนนยแห่งสังคานุสติ ที่ได้กล่าวมาในวันก่อนนั้นและเน้นไปที่หลักการปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสมาปฏิปทาและการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ย้อนหลังกลับซึ่งหมายความว่ากิเลสอันใดที่ละได้แล้วบรรเทาได้แล้วก็ไม่หวนกลับมาสู่อํานาจของกิเลสนั้นอีกแล้วก็เพียรพยายามละให้ สูงสงยิ่งๆขึ้นไปโดยลำดับซึ่งในกรณีนี้ทรงใช้คำโดยมากกว่าให้อบรมแล้วก็ททำให้บ้างเมื่อกระทำได้เช่นนี้จิตใจก็จะมีความเข้มแข็งสูงขึ้นโดยลำดับสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติไม่ย้อนกลับมาสู่อำนาจของกิเลสที่ตนเคยละได้แล้วอีกต่อไป ในชั้นของสามัญชนคือเป็นพูตุชนธรรมดาสามัญก็จะมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องระลึกรู้ต่ออารมณ์ต่งตางๆที่ผ่านเข้ามาแล้วอาศัยความระลึกรู้เหล่านั้นบิิจิชยตัดสินอารมณ์แล้วปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีคือกําหนดรู้สิ่งที่ควรรู้กําหนดละสิ่งที่ควรละกาหนดทาให้แจ้งในสิ่งที่ควรทาให้แจ้ง แล้กำหนดลงมือประพฤติปฏิบัติในข้อที่ควรลงมือประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติในลักษณะที่เรียกว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรในตอนต่อไปนั้นยังหมายถึงการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่เกิดไม่ไม่เป็นค่าศึกท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะความมีค่าศึกในโลกนี้ เกิดขึ้นมาจากจิตที่ตั้งไว้ผิดเช่นมีความดํ m ริผิดมีความเห็นผิดเป็นต้นมีอำนาจเหนืออิทธิพลจิตใจของบุคคลเหล่านั้นแล้วสำแดงออกมาเป็นกายทุจริตเป็นวิจีทุจริตซึ่งแต่ละอย่างล้วนสร้างเวรสร้างภัยให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนทั้งนั้นแต่เมื่อบุคคลได้ปฏิบัต ตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ปราบจิตให้เป็นความดําริชอบความเห็นชอบก่อนที่จะทำจะพูดอะไรลงไปก็ควบคุมให้อยู่ในทิศทางของธรรมะซึ่งมีลักษณะไม่สร้างความเดือดร้อนให้เก่ตนและบุคคลอื่นการปฏิบัติเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่มีค่าศึกสึกตรู เมื่อไม่มีค่าศึกศัตรูคนอื่นก็ไม่เป็นค่าศึกศัตรูด้วยดังนั้นในทางศาสนาพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงลักษณะของผู้สงบที่ใช้คำว่าสมณะเพราะสมณะคือผู้ที่ไม่มีค่าศึกในโลกอันเป็นผลจากการปฏิบัติสงบหรืองับอำนาจของกิเลสในลักษณะที่รุนแรงต่างๆ แม้ทะลักล้นออกมาควบคุมกายวาจาให้เป็นทุจริตในชั้นหนึ่งแม้จะมีอยู่บ้างก็ให้มีอยู่เพียงภายในใจอย่าให้ถึงกับล้นออกไปภายนอกแต่การปฏิบัติที่เป็นจุดมุ่งหมายจริงๆนั้นก็อยู่ที่ความสงบรองรับดับกิเลสเหล่านั้นออกไปโดยดั่งๆประการต่อไปเป็นการปฏิบัติที่ตรงต่อหลักธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงออกไปในแง่ของศาสนาแล้วเรามีทั้งส่วนที่เป็นข้อห้ามและส่วนที่เป็นข้ออนุญาตให้ทําทั้งสองข้อนี้ข้อใดที่ทรงห้ามไว้ถ้าใครไปขืนทํำข้าวก็ถือว่าไม่ตรงตามพระบัญญตัติข้อใดที่ทรงอนุญาตไว้ให้ทําแต่ถ้าไม่ยอมกระทําก็ชื่อว่าไม่ตรงต่อพระพุทธบัญญัติเหล่านั้น ซึ่งในชั้นนี้โดยทั่วๆไปแล้วมักจะเน้นไปที่ผู้บวช่าส่วนท่านที่เป็นอุบาสกุบาสิกายังไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ควบคุมหนักลงไปอย่างนั้นเพราะแม้แต่ชั้นศีลเองก็ให้เกิดด้วยความสำนึกที่จะรักษาที่สมาทานที่จะสมาทานเกรนว่าการปฏิบัติละเมิดศีลนั้นมีโทษเป็นที่ตั้งแห่งเวรแห่งภยัยแล้วอาศัยกุศลเจตนานั้นตัก ตักเตือนใจก็สำรวมระวังงดเว้นไปโดยดังๆงแต่ว่าการปฏิบัติบางอย่างซึ่งขัดแย้งกสถานะความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แปลว่าผู้เข้าใกล้พ ร, รัตตนาใหรือนั่งใกล้ประรัตตนาใจซึ่งก็หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติตนให้เข้าสัมผัสคุณของประรัตตนาใจแล้วจะมีบางเรื่องที่เป็นอุปสรรคในการเข้าใกล้คุณ ของพระัตนตรัยได้แก่ความบุกพร่องในด้านศีลความไม่มั่นคงในด้านศรัท ธ, ธาคือความเชื่อมั่นในคุณของพระัตนตรัยซึ่งข้อ น, นี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าการกำหนดมาตรฐานทางจิตแห่งบุคคลประเภทที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันนั้นอาศัยความศรัท ธ, ธาเชื่อมั่น ที่มีอยู่ในคุณของพระนรายไม่ง่องงนแงนไม่ครลอนแคลนไม่กัดแวงไปตามอำนาจอารมณ์ต่างๆเท่านั้นเป็นมาธฐานถ้าหากว่าบุคคลใดมีจิตตั้งมั่นได้ในลักษณะดังกล่าวก็วชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ใกล้ต่อกระแสแห่งพระนิพพานเข้าไปแล้วดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติให้ตรงต่อหลักที่ทรงกาหนดที่ทรงแสดงไว้ จึงหมายถึงคำสอนอันใดที่สรงสอนไว้อย่างไรก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นอย่างในกรณีของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือก้านั่งกลายพ ร, รัตตนาใจที่ถือว่าสมบูรณ์แล้วก็หมายถึงการที่บุคคลสมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลมีความเชื่อมัน่นตามกฎแห่งเหตุผลตามกฎแห่งกรรมตามกฎแห่งกิริยาปฏิกริยา ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของสรพรพสิ่งในโลกนี้เพราะอะไรพระว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเป็นการแสดงเหตุกับผลพระธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็มีเพียงสั้นๆว่าธรรมเราได้เกิดแต่เหตุประตถทเจาสาเพง้าธรรมา้เแตเหตุะ่วจงทาสนามั้นๆ่าธรรมด้เิแ่หระทม่นหังพระธาสมณะมีปรรกติตรัสอย่างนี้ จึงเป็นการสรุปคําสอนว่าก็อยู่ที่เรื่องเหตุเรื่องผลใครสามารถเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลมาจากไหนก็ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงเหตุผลตามธรรมชาติที่พระพุทธศาสนาได้ทรงแสดงเอาไว้และแม้แต่ชั้นความรู้ที่เราเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมในพระพุทธศาสนาที่ทําผู้รู้ให้เป็นพระโสดาบันนั้น ก็เป็นยานความรู้ที่เกิดผุดขึ้นด้วยประโยคสั้นๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับเป็นธรรมดาเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้จะต้องเป็นความรู้เห็นซึ่งผุดขึ้นภายในใจอาศัยการประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ในชั้นของศรรีลพอประมาณในชั้นของสมาธิและปัญญายานคือความรู้ระดับนี้ก็จะบังเกิดขึ้น ซึงญาณความรู้นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าบุคคลไม่ปฏิบัติให้ตรงต่อหลักของเหตุผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้และพื้นฐานของความเชื่อที่จะพิสูจน์ว่ามั่นคงในหลักพระพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็คืออาศัยการเชื่อกฎแห่งกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเรื่องที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงอย่างแท้จริงเป็นต้น และจะกระทําสิ่งที่เรีย ก, กว่าบุญก็จะกระทําเฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เท่านั้นท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าบุญจะต้องมีลักษณะขาจัด ก, กิเลสถ้าทําบุญแล้วเพิ่มกิเลสก็ไม่เป็นบุญในทางศาสน า, ศาและผลพิสูจน์อีกช่วงหนึ่งก็คือความสุขกายสบายใจหลังจากได้กระทําสิ่งเหล่านั้นออกไปจะไม่แสวงหากำวิธีในการสร้างบุญนอกคําสอนพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นบุญนอกคําสอนพระพุทธศาสนาแล้วจะเป็นการสะสมกิเลสเป็นการเพิ่มกิเลสเป็นการเปลี่ยนแปลงกิเลสจนเปลี่ยนจากความโลภทรัพย์เป็นความโลภยศความโลภชื่อเสียงเป็นต้นซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงก็ไม่มีผลในการขัดเกลาจิตใจแต่ประการใดก็คล้ายๆกับว่าบ้านมันรกด้วยสิ่งหนึ่งแล้วก็กวาดสิ่งนั้นออกไปแล้วเอาสิ่งหนึ่งเข้ามาวางไว้แทนบ้านก็คงรกเหมือนเดิม ใจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะในส่วนของข้อบัญญัติได้แก่การละเว้นในข้อที่ห้ามทำตามข้อที่สรงอนุญาตในส่วนพระธรรมคำสั่งสอนนั้นไม่ใช่เป็นมาตรการบังคับแต่ประการใดเป็นการชี้ทางบรรทอทุกชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนริพพานอย่างที่ทราบกันใครปรารถนาผลในฐานะนั้นๆก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเัวเอง เมื่อเมื่อเมื่อปฏิบัติจะต้องปฏิบัติให้ตรงตามที่ทรงแสดงไปไม่ได้ยักย้ายถ่ายเทหรือเปลี่ยนแปลงไปธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจะต้องมีลักษณะเป็นมันชฌนะีณะคืออยู่ตรงกลางเรื่องที่เราเรียกว่ามัธทิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางข้อนี้พึงดูตัวอย่างความกรุณาสงสารต้องการให้คนอื่นหลุดพ้นจากความทุกข์จะต้องอยู่ในสายกลาง คือสามารถกระจัดวิหิงสาความเบียดเบียนออกไปได้และในขณะเดียวกันก็ไม่ตกตามจนถึงเป็นโศกะคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อไม่อาจที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะทั้งสองฝากนั้นคือความเบียดเบียนก็ดีความโศกก็ดีไม่ใช่ตัวกรุณาตัวกรุณาจะต้องเป็นลักษณะความสงบเย็นที่ปรากฏขึ้นภายในใจเมื่อไม่อยู่ในวิสัยที่จะ ช่วยเหลือเขาหลุดพน้นจากความทุกข์ได้จิตก็จะปรับเข้าอยู่ที่อุเบกขาคือการพิจารณาเห็นถึงความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของข้องตนอย่างที่สุดกันหลักการปฏิบัติให้ตรงนั้นจึงมีแนวเหมือนกับเส้นบรรทัดที่ใช้เขียนหนังสือก็เขียนไปตามเส้นบรรทัดที่กำหนดให้เขียนไว้เมื่อเขียนอกไปแล้วก็จะกลายเป็นความสวยงามความมีระเบียบ แะปะการต่อไปจะต้องเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่เรียกว่ายายะคือมุ่งต่อความดับมุ่งต่อความดับเพลิงกิเลสมุ่งต่อความดับทุกข์เป็นการขัดเกลาวความไม่ปกติต่างๆที่มีอยู่ทางกายทางวาจาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปโดยดรดับซึ่งในชั้นของการปฏิบัตินั้นบุคคลไม่ควรจะไปตั้งความหวังให้สูงมากเกินไปหรือบางครั้ง ในชั้นของการรักษาศีลบอกว่ารักษาไม่ครบห้าและไม่ยอมรักษาเลยแท้ที่จริงทําอย่างนั้นก็เป็นการปิดกั้นโอกาสไปประการปฏิบัติธรรมในทางาศาสนามีลักษณะเหมือนขึ้นบันไดคือปฏิบัติธรรมไปโดยลําดับเป็นข้อปฏิบัติที่คืบคลานไปโดยลําดับคนนี้พึงดูตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลชีวิตเอาไว้มีลักษณะเป็นบันไดถึงสามสขั้น ใครขึ้นไปขั้นใดก็ได้ขึ้นไปจากการไม่ครบคนพานก็ชื่อว่าได้ประโยชน์ระดับหนึง่งแล้วถ้าครบหากับบัณฑิตเข้าด้วยก็จะได้ประโยชน์อีกชั้นหนึ่งถ้าบูชาผู้ที่ควรบูชาก็จะสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าแต่ละข้อนั้นเป็นอุดมมงคลทั้งหมดซึ่งอุดมมงคลแต่ละชั้นไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันก็คล้ายๆความรู้ของนักเรียนชั้นประชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นมหาวิทยาลัย แกก็มีความรู้ความเข้าใจเหมือนกันไอเกรดที่สอบได้หรือเปอร์เซนต์ที่สอบได้มาก็เรียกอย่างเดียวกันแต่ก็จริงแล้วความรู้ไม่เหมือนกันการปฏิบัติธรรมะในลักษณะที่ขัดกลาใจก็เป็นเช่นนั้นตอนนั้นในชั้นของธรรมะก็ดีในชั้นศีลก็ดีอาจจะพลังพลาดอาจจะไม่ส ง, งบอาจจะไม่เกิดผลอย่างที่เราต้องการก็ได้แต่ถ้าเพียรพยายามไปเรืเร่อย แล้วผลเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นละธรรมที่มีความจำเป็นในชั้นการปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่าอนุสติหรือกรรมฐานส่วนอื่นก็ดีนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไปจากสติสัมปชัญญะและความพยายามซึ่งจะต้องเป็นความพยายามที่ย้อนกระแสะกิเลสขึ้นไปให้ได้เพื่อขัดกลากิเลสที่มีอยู่แล้วให้เบาบางลงในขณะเดียวกันก็ปิดกัน้นกระแสะแห่งกิเลส ซึ่งจะเกิดขึ้นใหม่ไม่มากเกินไปจนถึงกับจิตมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์โดยอัตโนมัติคือแยกอารมณ์ได้ตัดสินอารมณ์ได้อารมณ์ใดที่ผ่านเข้ามาถ้าเห็นว่าจะเป็นเชื้อแห่งกิเลสก็ตัดอารมณ์นั้นอารมณ์ใดที่จะเป็นเชื้อแห่งกุศลก็รับอารมณ์นั้นเข้าไปเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนการรับประทานอาหารเรากว็วิเคราะห์วินิจฉัยตัดสินอาหารนั้นได้ในทันทีทันใด อาหารใดรับประทานไปแล้วให้ความสัปปายะเกื้อกูลแก่ร่างกายไม่เป็นทางแห่งโรคเราก็รับไปแต่อาหารบางอย่างรับไปแล้วท้องไส้ไม่ปกติก็ไม่รับประทานอาหารเหล่านั้นผลก็คือความสงบของร่างกายความเข้มแข็งความเจริญเติบโตของร่างกายก็จะบังเกิดขึ้นจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในการปฏิบัติที่เป็นสังฆคุณข้อต่อไปก็คือการปฏิบัติชอบ คำว่าสามีที่แปลว่าปฏิบัติชอบนั้นโดยความหมายแล้วก็มีอยู่หลายนายัยยะคำว่าสามีแปลว่าเป็นใหญ่คือหมายถึงอยู่เหนืออำนาจของอารมณ์เหนืออำนาจของกิเลสทั้งหลายอย่างเช่นการรับประทานอาหารของการฉันอาหารของพภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงประเภทเอาไว้ว่าอินะบริโภคบริโภคในลักษณะที่เป็นนี้ เทนบริโภคบริโภคในฐานะที่เป็นโจรอินะบริโภคบริโภคในฐานะที่เป็นหนี้ดายัชาะบริโภคบริโภคในฐานะที่เป็นทายาทสามีบริโภคบริโภคในฐานะที่เป็นเจ้าของซึ่งหมายความว่าถ้าบุคคลใดไม่อยู่ในเพศสมณะที่ถูกต้องแล้วไปรับประทานอาหารเหล่านั้นเข้าก็กลายเป็นขโมยเรียกว่าเทนะบริโภคคือรับประทานอาหารแบบขโมย แต่ถ้ายังไม่ปฏิบัติขาดเกาวกิเลสจนขเข้าเขตของพระอริยบุคคลก็ยังถือว่าเป็นอินาบริโภคบริโภคอย่างเป็นนี้อยู่จะต้องมีการชดใช้ด้วยการกรวดน้ำด้วยการอุทิศกุศนด้วยการบำเพ็ญความดีให้แก่สงสาทุชนนั้นแต่ถ้าพอถึงกระแสของอริยคุณคือเป็นพระสโสดาบันเป็นต้นแล้วก็เรียกว่าดาราชบริโภคบริโภคในฐานะที่เป็นทายาท แม้พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังอยู่ในเกณฑ์นี้ส่วนสามีบริโภคนั้นเป็นการบริโภคแบบเจ้าของจริงๆเพราะไรพระวัตรทศนันทานนั้นเป็นการเจาะจงอุทิศพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติจงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรปฏิบัติชอบจริงท่านเราได้ปฏิบัติเช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นเจ้าของสิ่งนั้นโดยแท้อันเป็นการชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติในลักษณะที่เป็นสามีนั้น จะเป็นคารวาสก็ตามเป็นพระผู้ดัจะต้องเป็นการปฏิบัติกระทําในลักษณะไม่ยอมสยบอยู่ภายใต้อํานาจของอารมณ์ภายใต้อํานาจของกิเลสในชั้นของสามมัญชนคือจะพูดจะคิดจะทาก็ทําตามไปทำไปตามอํานาจของเหตุผลมีสติสัมปชัญญะควบคุมความคิดควบคุมคําพูดควบคุมการกระทำเอาไว้แม้ในขณะนั้นจะมีกิเลสอยู่ก็ตาม ต่กิเลสไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจธรรมะกลับมีอิทธิพลเหนือจิตใจการแสดงออกทางความคิดทางกายทางวาจาทางทางกายทางวาจาก็จะดําเนินไปในคันลองแห่งกุศลชื่อว่าเป็นสับเป็นการสัมผัสคุณพระรัตนตรัยอีกชั้นหนึ่งกล่าวได้ว่าคุณของพระรัตนตรัยทั้งสาประการถึงแม้จะเป็น แบ่งออกเป็นสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามแต่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักของการปฏิบัติข้อนี้จะเห็นได้ว่าธรรมะนั้นเป็นตัวกลางคือเป็นข้อที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นธรรมะที่ทรงแสดงเพื่อขัดเกลาบาปขัดเกลาอากุศนขัดเกลาอาการไม่เหมาะสมที่มีอยู่ในร่างกายในจิตใจของบุคคล กอให้เกิดเป็นการดึงคนออกจากทุกข์ดึงคนออกจากกิเลสดึงคนออกจากสังสาระมีความสงบกายสงบวาจาสงบใจเป็นผลโดยลําดับจนถึงกับสงบเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ทุกข์ได้เป็นเป้าหมายสูงสุดนี่คือลักษณะของธรรมะจะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลปฏิบัติธรรมธรรสมควรแก่ธรรมด้วยการปฏิบัติ ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติขัดเกลาปฏิบัติสมควรแล้วจะทำให้บุคคลเหล่านั้นได้สัมผัสกับปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นความจริงสิ่งเหล่านั้นเป็นยังไงก็จะรู้อย่างนั้นสามารถปล่อยสามารถละสามารถวางสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความยึดถือที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์นไปได้ ใจิตใจของบุคคลก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดไปโดยลาดับต่อแต่นั้นก็จะมีกรุณาจิตบงังเกิดขึ้นมองเห็นเพื่อนร่วมโลกร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันเพราะแต่และชีวิตก็ตกอยู่ในพวงแห่งความทุกข์ปรารถนาที่จะช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไป กน น, นอาศัยการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรตามที่กล่าวแล้วจะทําทให้บุคคลผู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมะและสัมผัสคุณแห่งพุทธะทั้งสามราการคุณแห่งพระรัตนาทรัยนั้นถือว่าเป็นธรรมโอษฐ์อย่างที่ท่านแสดงไว้ในบทสวดในมงคลพิธีต่งตางๆว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นขจัด คุณพระธรรมนั้นขจัดภยัยคุณพระสงฆ์ขจัดโรคซึ่งหมายความว่าบุคคลผู้ไม่ต้องการความทุกข์จะต้องพยายามทำสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นทำจิตใจของตนให้มีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากเครื่องคุณมัวเร้าหมองใจทั้งหลายแล้วก็มีใจกรุณาเอื้อเฟื้อสงสารสัตว์อื่นความทุกข โดยธรรมชาติก็ตามความทุกข์ที่จรเข้ามาจากเหตุปัจจัยโดยความยึดความถือก็าตามก็ไม่สามารถที่จะทำลายบุคคลนั้นได้พระธรรมมีลักษณะขจัดภัยเป็นธรรมโอสถในการขจัดภัยภัยในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยอารมณ์ภัยกิเลสภัยทิชฉิหรือภัยที่เกิดจากอากุศลกรรมก็ตาม ถ้าหากว่าบุคคลปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมแล้วย่อมสามารถที่จะขยจัดภัยเหล่านั้นได้ทั้งนี้เพราะว่าถ้าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มใหญ่ป้องกันคนไม่ให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกและยิ่งไปกว่านั้นทรงแสดงว่าถ้าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นเป็นต้น ส่วนพระสงฆ์นั้นคุณของพระสงฆ์ทั้งสี่ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วจะทำหน้าที่กระจัดโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายโรคทางจิตก็ตามและด้วยการปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวนั้นโรคทางกายก็จะมีส่วนป้องกันบรรเทาโรคได้ในบางกรณีซึ่งไม่รุนแรงเกินไปแต่ว่าเน้นไปที่การบรรเทาโรคจิต โรคเกี่ยวกับความคิดมากความอิจฉาทิสยาความอาฆาตพยาบาทความหึงหวงอะไรต่างๆเหล่า น, นี้ซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นภายในจิตใจในชีวิตคนเรานั้นแม้ร่างกายจะอ่อนเพลียไปแรงไปบ้างหรือทุกพลภาพไปบ้างก็ตามแตห่หากว่าจิตใจไม่มีโรคจิตใจยังมีหลักยึดเดียวการเอรงชีวิตก็จะไม่มีปัญหาอะไร อย่างที่โบราณท่านสอนเตือนใจไว้ว่าเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าให้ใจมันเสียการที่จะทําให้จิตใจของตนเสียก็คือจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติให้ทรงปฏิบัติเพื่อขัดเกลามนทินใจอยู่บ่อยๆ ย, ย้ายมนทินใจจับเกาะให้มากนักเพราะมนทินใจที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีลักษณะเหมือนสนิมเกิดแตนเหล็กมันจะกัดกร่อนเหล็กจนเสียคุณภาพไปหมดนั่นใช้อะไรไม่ได้ แต่ถ้ามีการพยายามขัดเกลารู้บ่อยๆก็จะรักษาจิตของตนไว้ได้ไม่ให้เกิดโรคที่ทำจิตใจของตนให้ทุกลผลภาพเปลี่ยนแปลงไปที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการพยายามทำใจอยู่เหนืออานาจอยู่กิเลสอยู่เหนืออารมณ์แม้เราจะอยู่ในท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายก็ตามอารมณ์ใดจะเป็นพิษเป็นภยัยแก่ใจก็ไม่มนั้สิการคือไม่ใส่ใจอารมณ์นั้นอารมณ์ใดที่จะ เป็นประโยชน์เป็นเกื้อกูลเป็นความสุขแก่แกแกจิตใจก็จะมานัตสิการคือสายใจอารมณ์นั้นเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้แล้วคุณของพรัตนตรตรจะทำหน้าที่ขจัดทุกขจัดภัยขจัดโรคซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลไม่พึงปรารถนาอย่างจริงและคุณนาหนุภาพแห่งพรัตตรนยนีก็สามารถดลบันดาลบรรเทาบาบัดขจัดสิ่งเหล่านั้นให้เบาบางลงไป ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมของผู้ที่ปฏิญาณตนนับถือพระตัณฐายจว่าเป็นเป็นสณะที่พึ่งที่ระลึกของตนของตนต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป